ท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาทุกท่านผู้ใคร่ต่อทำสัมมาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสิมมามกิจ้าของเรานั้นนับว่าใจประเสริฐเป็นสุขปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบตามคำสอนนี้ ท่านทั้งหลายท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาตามรอยอยู่โคลบาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วท่านจะเป็นสุปฏิบัติเพราะมาปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติชอบประกอบกรรมการกระทําของท่านไม่ลร้สติไม่ขาดสตังมีจุด มุ่งหมายในสติปัฏฐานสี่เป็นความดีสุปฏิบัติเป็นการปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วดังนี้ก็ได้ความว่าโยมท่านอุบาศกท่านอุบาสิกาทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติชอบ ประกอบกรรมทาดีมีปัญญาาจะได้รับลดพุทธพ์เทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมัมมาสัมพุทธเจ้าวไว้ประทับใจเพราะเรามีปฏิบัติในกิจกรรมของชีวิตมีสติไม่พลาดผิดรู้ตัวรู้ทั่วอยู่ตลอดรายการนั่นแหละเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติที่ชอบแล้วไม่เจือปนด้วยกิเลสเป็นเหตุทำลายชีวิตทำลายฐานะทำลายกิจกรรมที่มีอยู่จึงเรียกว่าสุ ป, ปฏิบัติทั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัทโปรดตั้งใจฟังธรรม ญ, ญาในวันธรรมสวระนี้ขึ้น15ค่าขามเดือนห้าแล้ว แสงสว่างแสงพระจันทร์แสงพระอาทิตย์โปรดข้อคิดโดยน้อมนึกเลึกถึงแสงพระธรรมเป็นปัญญาที่ส่งทางนอกทางในให้มีการแก้ปัญหาสืบไปขอท่านพุทธบริษัทโปรดได้ฟังธรรมบัญญายสืบต่อไปณนะโอกาสบัดนี้ ขอเจริญพรร <c oughs> วมมูหลวงพี่เป็นวันธรรมสุนะรันาฤสีดีถีพระจันทร์รอยเด่ดนุภ า, าการกลางเดือนของเดือนนี้คำว่ า, ากลางเดือนนี้เมื่อวานนี้เป็นวันโกนเตรียมการครบ ตัดปริภอดกังวลเสียให้หมดสิ้นในวันหวา น, นวันโกนเตรียมการมาบอมเพนกุศลหลักษาอุโบสถให้สดชื่นแจ่มใสน้ำใจงามให้เกิดขึ้นในสันดาลชีวิตเป็นข้อคิดในวันธรรมโสนะในวันนี้ขอฝากญาติโยมไว้ด้วย ทำไมเรียกวันโกนเพราะเตรียมเตรียมการเราจะมาวัดระดับพระธรรมเทศนาก็ต้องเตรียมให้พร้อมผู้ที่บริจาคทานก็เตรียมอาหารขาวหวานดอกไม้ถูกเทียนเตรียมเครื่องพร้อมไว้ในวันโกนวันพระเราจะได้จัด ให้จิตสบายไม่ไปวุ่นวายในวันอดีตอีกประการหนึ่งวันโกนเตรียมการเตรียมให้ลงเก็บเใื้อเตียงจะได้ไม่มีกังวลในบ้านของตอนเหมือนานางวิสาขามาหาอุบาสิกาไปรักสิอย่างรักษาสิงอย่างวัดวารามไม่กังวลในบ้าน โจรมาปล้นก็ไม่สนใจก็มีคติเตือนใจว่าสาวเอ๋ยสาวชายจงไปบอกพวกโจรของเขาก็ขนออกไปตามสบายถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปที่เาราทำมาหาได้ด้วยความเหนื่อยยากเป็นของรับแต่ท่านคิดว่าเป็นของท่านก็ขนออกไปให้หมดรารบเท่านี้ เรียกว่าตัดปริพศตังวลเสียรเรียกว่าวันโกนเช่นดังกล่าวมาดังนั้นวิสาขาจึงเป็นมหาอุบาจิกาตัดได้ไปบอกพวกโจรด้วยสาวใช้เอย๋ยว่าเขาสั่งมาเก็บไปให้หมดถ้าเป็นของท่านท่านทำมาหาได้โดยตนเองก็เก็บเอาไป ทำไม่ใช่ของท่านท่านต้องโปรดกรุณาคิดเอาเองเท่านี้เท่านั้นเกิดพวกโจรมีปัญญาอ๋อนี่เขาเราไม่ได้ทำมาเป็นของเขาเป็นของนางวิสาขาเขาเราจะเอาไปจะใช้ประโยชน์อะไรกับเราไั้ข้อนี้เป็นข้อคิดแล้วโจรจึงเอาของคืนมา ไว้ที่ไว้ทางของนางวิสาขาเป็นต้นนางวิสาขาก็ไม่คิดอะไรแล้วคิดด้วยปัญญาว่าถ้าของเราก็ให้อยู่กับเราของเขาก็เอาไปเถิดเราจะไม่เสียดายประเดิดในจิตใจของเราก็อยู่กับเราของเขาก็อยู่กับเขา บุญอยากรำรน้ำแต่งเราแต่งมาเราทำมาก็ต้องอยู่กับเราเพราะเรารักความดีของเราที่สร้างด้วยความเหื่อโยทุกขางน้ำไหลออกตาทำมาหาได้ด้วยความเหนื่อยยากเหลือเกินอย่างนี้เป็นตน้นถ้าของนั้นมิใช่ของเรานอกกายนอกประเด็นนี้ก็เอาไปเถิด ของข้าพเจ้านี้ทําสายใจอยู่ในตัวของข้าพเจ้าแล้งของเหล่านั้นนอกกายหยาบหน้าก่อไปเถิดนี่พวกโจรผู้มีปัญญาคิดได้โดยหัน ม, มุมกลับเช่นนี้เขาจึงไม่อยากได้าใหญ่ดีเพราะไม่ใช่ของเขาเขาก็ได้คติเตือนใจอีกมากหลายสำหรับพวกโจรไพรเชนั้น อันนี้ขอท่านอุบาสกอุบาสิกาคิดว่าที่นั่งอยู่นี่เป็นของเราใส่ใจเสถิรเอาไว้ให้แน่สนิทติดเป็นเพชรทั้งดวงใจใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีฝ้าฟางแต่ประการใดฝ้าอันนั้นไม่ใสเพราะติดอยู่ในคำนี้เพชรน้ำหนึ่งในดวงใจทุกคนไม่ชอบสร้าง ถ้าจิตใสใจสะอาดหมดจดปราโลกธรรมของไหนเราเราจะไม่มีทางจิตตั้งอสันดานจิตตั้งใจถึงอยู่ตลอดเลยการคือจิตสูงใจเป็นพระปฏิบัติอยู่ในใจของท่านแล้วเงินจะไหลนองทองจะไหลามาแน่นอนที่สุด ขอฝากวิมุตย์ไว้เป็นความตั้งใจในวันรม ส, สวนนัสะนี้มีประโยชน์มากหรือเกินยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้ให้ท่านฟังสําหรับผู้สุปฏิบัติปฏิบัติสุปฏิบัติปแปลว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติโดยชอบน้ำรทิโดยการผลงานก็เกิดเป็นพระปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโน โยมเป็นได้ไหมได้ถ้าทําอย่างนี้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านก็ยังไม่สู่ความเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมของเพชรน้ำหนึ่งในดวงใจที่ใสสะอาดหมดจดไม่มีทุรีละอองแต่เปลือกการใดมันยอมจะใสแจ่มใสเหมือนเพชรส่งกะระแส ออกไปให้เกิดแสงสว่างระลิกระยับจับหัวใจนี่เนยเพชรในดวงใจใสสะอาดของตอนจะได้สร้างกุศลให้แก่ตัวเองเป็นบทความสัมผัสคนยุคใหม่สมัยนี้ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยเลยคิดว่าเพนนทนินสนิมพิมพาพร เป็นของนอกกายซื้อมาใส่ประดับร่างกายให้สวยแต่ก็ไม่รวยเอาดีไม่ได้ท่านจะประดับอีกกี่ร้อยชักกี่พันตะบึงท่านก็ไม่สามารถจะดึงความดีของท่านแมบสนิทติดไว้ในหัวใจได้ท่านจะเป็นคนไล่สาระขาดเหตุขาดผลอยู่ข้างตน้นเสมบมา ไหนเลยเราจะดีได้ในอนาคตคงไม่ปาลารบเรื่องนี้แล้วขอฝากท่านทรั้งหลายไว้ด้วยในที่ประชุมนี้ในวันธรรมสุนอุโบสถมีกำหนด24ชั่วโมงแต่การสุขปฏิบัตินี้ไม่จำกัดชั่วโมงรักษาได้ตลอดกาลเวลาจนชีวิตหาไม่ให้จิตใสใจสะอาด ปราศาจากมนลทิน้นคือความเศร้าหมองใจจิตสันดานก็เกิดเป็นเพชรเด็ดเดียวอยู่ในหัวใจนี่สิงเงินจะได้ไหลนองทองไหลามาเกิดได้ยกตัวอย่างเรื่องวันนี้มีชัดเจนอาตมาปราถนาดีต่อประชาชน เมื่อสามเดือนผ่านพ้นไปแล้วกาละครั้งนั้นกรมประชาสงเคราะห์อยากได้ต้นสาระเอาไปปลูกที่เกตการนนบุรีเป็นต้นจะปลูกในวันลดน้มด้ำหัวให้คนเรารู้พระคุณของท่านผู้มีพระคุณบันปูหลุดกาลูนนำมาจะทำอย่างไรเกิดอนิจจังทุกขังอนัตตา ต้นสาระต้นนั้นโดนรถเหยียบหลังปุติอัตมาไม่แน่นอนมีอยู่แล้วยังลดหลุดมือไปได้โดยรถน้ำาขังมาถอยหลังชนต้นมานี่แหลกลามตายคาที่ยังไงดีก็จะไม่หมดโอกาสที่เราจับมั่นคั้นให้มันตายว่าจะต้องสมหวังอย่างนี้ แต่เขามาลับในวันนี้จะไม่มีให้ทาอย่างไรผู้มีปัญญาปฏิบัติกรรมฐานแล้วจะได้บอกโอโอโลกมนุษย์ไม่มีความเที่ยงเลยเป็นของเราตั้งวางไว้แล้วย้งกลับกลายทลายไปเช่นนี้กลับกลายเป็นของอื่นต้องหมื่นแสนไม่แม่นเหมือนจะแชร์เชื้น อย่าจับมัน่นขนมาตายผิดหวังไม่ได้ให้เขาให้เขาไปก็เสียใจเป็นการเศร้าหมองสำหรับบุคคลผู้มีลาค่าไรปัญญาจะเอาที่ไหนให้เขาเล่าท่านผู้มีปัญญาในวันทาโซนนี้โปรดพิจารณาโดยปัญญาเถิดนี่เที่ยงไหมแน่ไหมนอนไหม ถูกไหมต้องไหมไม่ถูกไม่ตองแต่ทั้งหลายอย่าสังกตายอย่าหวังเลยว่าของนั้นเป็นของเราแล้วกลายเป็นของคนคอื่นทลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปของเขาหาความแน่นอนในใจก็ไม่ได้ด้วยจึงต้องฝึกเป็นสุ ป, ปฏิบัติ เป็นพระไว้ในใจเป็นทู่ร่วงรู้ดูให้เห็นเป็นพยาธหลักฐานในการที่กล่าวแล่ามีประโยชน์มิใช่น้อยสำหรับตัวท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาเ อ, อ๋ยอย่าละเลยข้อสุปฏิบัติกรรมาฐานเป็นพระสุปฏิบัติจะเป็นโยมหญิงโยมชายสาวแทอย่างใดก็ตามเหมือนกันหมด ขอให้ปลาล็กเรื่องนี้มีไหมคุณหนูทั้งหลายผู้เป็นผู้น้อยอะไรเป็นของเราที่แน่นอนคิดว่าคุณหนูว่าของนี้เป็นของหนูแต่กลายเป็นเช่นนี้หนูจะเสียใจต่อภายหลังเพราะไม่มีหลักธรรมเพราะยังไม่เป็นผู้ปฏิบัติดียังไม่เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วหนูจะต้องเศร้าใจเสียใจตลอดกาล มีความหวังตั้งใจอย่างนี้ไว้เถิดจะประเสริฐในวันหน้าจุดนี้ไม่มีใครสร้างไปสร้างแต่ความผิดหวังสังกัดตายสิ่งนี้ไหนเลยละบุญยกะลาศีจะช่วยตัวให้ดีในอนาคตไม่ปลาลบดังเป่าแล้วนี่ข้อนี้เป็นจุดตั้ง จุดลุ่งจุดแหว่งจุดตะแคงตั้งของโรคมนุษย์เป็นอย่างนี้เวลาก็ไม่เท่ากันเปลี่ยนเวลาประเทศไทยขณะนี้ตอนบ่ายชายหางตาประเภทนอกกำลังจะได้อรุณจะสว่างแล้วก็มีต่างกันโดยฐานะต่างกันโดยแผนที่ต่างต่างกันโดยสิ่งแวดล้อม ต่างก็โดยชาติภาตาเท่านั้นแต่เวลาที่แน่นอนคืออาการิโกไม่จำกัดการเวลาทุกประการความดีอยู่กับเราแลว้วแต่ไม่เอาดีมาใช้เป็นประโยชน์โสด ท, ทิพลแต่ประการได้ของนั้นจะไร้ค่าชีวิตจะขาดผลจะไม่มีกุศลติดตามตนไปในอนาคต สัมปะรยภพภายเบื้องหน้าด่างกล่าวเช่นเดียวกันมีความหมายอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นท่านโปรดได้คิดเสียในวันนี้ว่าของอะไรเป็นของเราที่แนนอนที่สดอง์สมเด็จพระนเรืองรุดลิทธิเดชาอนุภาพของพระพุทธเจ้านี้แสดงไว้ชัดเจนไม่มีอะไรเป็นของเราเลย แต่อาหารทำด้วยมือแท้ๆตั้งไววเป็นสำลับครับ้อนแน่นอนหรือไม่ยังไม่ทันรับประทานคนอื่นมากินจะแล้วเพราะหิวเราก็หมดหวังแต่แล้วมาตั้งไห้สุนัขขาสุมแมวขาก็มากินเสียก็มีนี่หรือมันแน่นอนทำจับล้มถับตายกลายเป็นก็คอนอื่นไป อย่าหมายความอย่างนี้เลยคิดว่าของนั้นไม่ใช่ของเราทําทก็มือเองซื้อลองทุนด้วยตัวเองแต่คนอื่นเขาหิวมาเขาไม่สาบเขาก็มานั่งรับทานเป็งของเขาไปเขากินแล้วเขาก็อิ่มชื่นใจเป็นอาจินเราทําเหนื่อยยากมาแล้วไม่ได้กินเพราะเหตุดังลือแล้วทั้งหลายต้องเรียกกินจ้ะ รีบแพ่แจวรีบภายเสียตลาดจะวายซ้ำรูเศ้าจะใช้บัวจนะหน้าคิดว่าเป็นสาวหนะ้าข้างขาวคิดว่าไม่ตายในวันนี้จะอยู่ย่างยืนไปถึงหมื่นปีหรือประการใดเกิดมาเท่าใดต้องตายหมดเท่านั้นมีความหวังอย่างไรนี่แหละานตั้งหลายเ อ, อ๋ยไม่มีทางแล้วรีบกินรีบทาด้วยตนเองกินไส้เอม ชื่นใจเราทำจับล้มทับตายไม่ได้กินไม่ได้อยู่ปลูกเรือนใหญ่ยังเพะขาหาดแต่ให้คนอื่นอยู่หมดนี่หรือของเราลูกไว้ยังไงก็ไม่ได้อยู่คูก็ไม่ได้นอนอาวอลงไหลยังไงเล้วเป็นของเรารีบแจวรีบพายรีบทอรีบไป ยิ่งหยุดยิ่งไกลยิ่งไปยิ่งถึงอย่าลำพึงย่าอืน่นยิ่งหยุดมันก็ใกลาเดินทางมาหยุดมากก็ไกลออกไปยิ่งเดินยิ่งไกล ย, ยิ่งไปก็ยิ่งถึงลำพึงลำพันอย่างนี้สี่พี่น้องอุบาสกอุบาสิกาทาั้งหลายมีความหมายมิใช่น้อยจะไปหาพระสู่ปฏิบัติ พระสูปฏิปันโนกันทั่วไปผิดหวังแลว้วพระพุทธเจ้าสงสอนใหเอาพระใส่ใจเป็นที่พึงติดตัวตนตามไปพระก็ออกหน้าพระก็ออกหน้านำทางคือพระใจประเสริฐพระของเราคือพระสติสัมปชัญญะนำทางให้จิตเดินทางด้วยความถูกต้อง เราตายพระกอนน้นำทางให้ไปสู่เมนนำทางขึ้นเมนเพื่อเผาพระนั่นแหละเป็นผู้นำทางถ้าเราเอาพระมาใส่ใจมีพระประจำใจมีพระประจำบ้านมีพระประจำเมืองไม่ไดืคดใครเื่อมแคนแสนจะคิดสามารถจะแผลงฤทธิ์คลายเพศเป็นเศรษฐีได้เพราะพระนำทาง ผลทางดีแล้วถูกต้องแล้วเช่นนี้นั้นทำไมเอาใครไปนำทางเอาผีกับเจ้าไปนำทางผิดหวังตายไปแล้วตายไปแล้วกล่าวว่าพูดโทรอลาหังอิติเปโซาพระภาวาพระเป็นที่พึ่งแล้วไกลจากกิเลสแล้วนี่นี่ยนำทางอย่างนี้การจะไม่หลงทาง แต่จะเดินทางไม่ผิดพลาดโดยวิธีนี้ประการหนึ่งท่านจะมีที่พึ่งติดตัวไปอย่างนี้ถูกต้องโยมอาตมาด้วยตายพระก็ต้องนำทางเป็นปริจนาธรรมเราก็เอาพระมานำทางซิเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอตายเอาพระไปนำศพขึ้นปลาลบทีเมตด อย่างนี้ปิจนาให้คนอื่นได้เห็นว่าเรามีพระนำทางและรู้อย่างที่ไปงานศพไม่มีเลยรอเวลาจะตายเอาหลวงตา ม, มานำ้ำศพไปขึ้นเมนอย่างนี้หรือหมดโอกาสแล้วก็สอนคนเป็นให้ทราบว่าไปไหนเอาพระนำทางนะเบิกทามคือพระจะขึ้นบานใหม่ ใจสบายเอาพระนำเข้าไปซิโอมหลวงพ่อองค์หนึ่งพระพุทธบริสุทธ์ใจไปตั้งในบ้านเราคือพระนำทางขึ้นบ้านใหม่ไม่ใช่เอาที่นอนนำทางไปขึ้นบ้านใหม่หวังจะไปกินกับนอนเท่านั้นคนนั้นจะไร้ค่าขาดผลงานไม่มีพระนำทางเหมือนคนไม่รู้จักทาง คนนั้นจะหลงทางอีกไกลแสนไกลจะไปถึงที่หมายไม่ได้เลยอยู่ตรงนี้ไม้ชายอยู่ที่อื่นดังที่กล่าลวแล้วดังนั้นและดังนี้เนี่ยขณะนี้เป็นของเราแลว้วจิตเป็นสุ ป, ปฏิบัติหมายความว่าไครซื้อไป หมายความว่าปฏิบัติเอาพระประจำใจมีสติสัมปชัญญะตัวกาหนดเป็นตัวนำทางเสียใจหนอพระนำทางแล้วสติดีสัมปชัญญะดีพระก็เข้าสู่สิงสถิตยอยู่ในจิตใจทางนั้นจะไม่ผิดจะออกมาด้วยเดินทางด้วยความถูกต้องทุกประการอยู่ตรงนี้ อย่ารอเอาพระนำศพเราเลยเราเรียบเอาพระมาใส่ใจเพื่อนำทางชีวิตของเราเสียเถิดท่านจะได้ประเสริฐในวันหน้าอย่ามีทิฏฐิต่อกันเลยคนที่มีกิเลสทิฏฐิใส่กันเช่นนี้ไม่มีพระหลงทางหลงทางแล้วท่านจะไปผิดทางเสียเวลาในโลกมนุษย์มิใช่น้อย โลกเอ๋ยโลกมนุษย์เดินเวียนวนกันอยู่อย่างนี้หาทางออกไม่ได้เหมือนเดินอยู่ในเขาวงกอออกไม่ได้หลงอยู่ที่เขาวงกอดไม่ปราลบัญญาสามารถจะแก้ปัญหาได้ก็ไรเล่าขอท่านสาธุชนโปรดได้ตั้งใจเสียใหม่ตั้งใจแย่ดีเอาพระนำทางเสียบัดนี้ การจะมีความถูกต้องจะอยู่ก็อยู่ด้วยความถูกต้องจะกินก็กินด้วยความถูกต้องจะนอนก็มีพระประจําใจนอนด้วยความถูกต้องดูครอบครัวว่าสิ่งใดอยู่สิ่งใดหายนี่พระนําทางความถูกต้องนอนซุกหัวสอง ไม่รู้ว่าของจะหายไปมา่อไหร่นี่ไม่มีพระในบ้านนั้นจึงไม่เข้าใจจึงไปโทษการของหายเป็นเช่นนี้เป็นต้นจึงไล่ค่าไม่มีพระนำทางของท่านการจะผิดหวังจะมีแต่ความวุ่นวายหาญยะในครอบครวัวตลอดรายการทะเลาะระหว่างพี่ระหว่างน้องตลอดรายการ อย่าไปว่าเขาเลยเพราะเขาไม่มีพระสุปฏิบัติไม่มีการนำทางชีวิตไหนเลยแล้วเขาจะเดินทางชีวิตด้วยความถูกต้องดังที่กล่าวนี้จะไม่มีอีกแล้วจะเอาอะไรกันในที่ประชุมนี้ขอโปรดทราบไม่ในยักษ์ดังกล่าวมาโดยพิจารณาโดยโยนิโสมนัสิการเถิด ท่านจะมีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่มีพระนำทางคนที่มีพระนำทางจะมีโอกาสดีกว่าคนที่ไล่ค่าขาดพระประจําใจไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนพระประจําใจเป็นพระประจําทางให้จิตให้เดินทางไม่พลาดผิดในสังคมของคนไทยมีข้อนี้เป็นข้อหมายอย่างยิ่ง แต่เราทุกสิ่งไม่เอาเอาพ่อแม่ที่ไล่สะลระนำทางพี่น้องไม่เคยเข้าวัดเอามานำทางทเธอจะผิดหวังในวันหนะ้าจะเสียใจต่อเวลาการของเธออย่างยิ่งขอฝากไว้ไปคิดดูก่อนคนอื่นหรือจะช่วยเราได้พี่เอ๋ยน้องเอ๋ยจะช่วยกันได้หรือตัวใครตัวมัน ต่างคนต่างช่วยกันจึงจะดีมีปัญญาบางคนนี่ไร้ทาหรือเกินหน้าเศร้าใจแทนเพราะผิดทางหลงไปเวียนวนอยู่ที่บ้านของตอนเวลาจะออกจากบ้านมันจึงมืดตายเมื่อใดหลงทางเป็นสัมบเวศหาที่อยู่ไม่ยา้ไม่มีพระนำทางให้เนี้ย ขอฝากไว้หลวงพ่อวัดไหนและจะนำทางนี่แน่แน่วหลวงพ่อสติซิหลวงพ่อสัมปชัญญะไม่ลดละภาวนาเป็นการนำทางได้ดีที่สุดอยู่กันหลายคนจะใครเป็นผู้นำก็ไม่ได้เพราะเขานำเราไม่ได้เขาก็บอกเฉโกเลโลเลโลหลายหลักปากลงไปหละรวม เอาแน่นอนบอกไม่ได้โดยทำหน่องนี้มีมากหลายในสังคมของเราเป็นทีนาแสดงความเสียใจบางบ้านลูกจะมาไม่ให้มาลูกเอ๋ยรักพงแม่เห้ออยู่ที่บ้านดกนกานไม่ต้องมีพระนํำทางสวดมนกี่หมื่นจบก็ไม่ได้พ้นเพราะกุศลไม่มีอยู่ตรงนี้เนี่ย ไม่ต้องไปว่าคาถาให้เงินไหลามาทีมาว่าคาถาเงินก็ไม่ไหลทองก็ไม่มาเพราะคนนี้ไม่มีกุศลไม่ได้สร้างบาุญสร้างแต่บาปสร้างแต่ความหายนะนสร้างแต่ความไม่ยศละอย่างนี้ไหนเลยแล้วท่านจะทำงานด้วยความถูกต้องเอาแต่ใจตนเองตลอดเลยการ แล้วเหตุการณ์นั้นจะผันผวนเปลี่ยนแปลงไปที่เปจิที่นาที่ใดอย่างนี้หันมาหาเหตุผนด้วยกุศลเทศนาในวันนี้เราขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบกันอย่างยกตัวอย่างต้นสาระจะให้กรมการกรมประชาสเมราะห์แต่แล้วก็มันใจว่ายังอยู่ เป็นของเราอยู่ที่วัดนี้อยู่ที่กุฏิด้วยลาทาหลุดมือเสียหายเอาที่ไหนให้เขาก็มานั่งเศร้าใจเสียใจกันอย่างนี้หรือเสียความพูดยังไม่พอเสียสัจจะด้วยแต่ก็หันมุมกลับอีกนิดนึงอันนี้จางไม่เที่ยงทุกขังมีแต่ความทุกข อนัตตาปลอดภัยไม่มีกิเลสใหญเป็นบรุษมสุขคืออนัตตาไม่มีปัญหาแล้วอย่างนี้เราต้องนึกข้อนี้ไว้ก่อนถ้าโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความแยกย้ายแปลกันแต่คนเราพี่น้องท้องเดียวกันมันจึงไม่เหมือนกัน คนก็อยากเข้าวัดอีกคนหนึ่งชวนออกจากวัดไปปฏิบัติในโลกเวียนวนอยู่อย่างนั้นแกปัญหาด้วยน้าตาแกปัญหาด้วยความร้องไห้แกปัญหาด้วยมันั่งมือกายหน้าภาแกปัญหาด้วยกินเหล้าแกปัญหาด้วยเศร้าใจตัณฐามืดมิดหมดโอกาสเหมือนไม่เหมือนพระจันรลอยหญิงลูกกาดดังกล่าวเช่นอยู่กาบ ดังนั้นการปฏิบัติจึงมีประโยชน์นี่ยกตัวอย่างอาตมาก็ต่างอธิษฐานจิตที่บุญกุศลที่ทำมาว่าขอต้นสาระเฉลิโปรดประทานมาให้เขาให้สมหวังมีอำนาจบุญอำนาจคุณประโยชน์ที่ทำต่อประชาชนเขาก็เสือ่อมสนไปหามาเมื่อวานนี้บอก วันชัยหนอวันชัยคุณขับรถเธอจงโปรดตรุนาไปเที่ยวหาตามวัดมาให้ได้ตามความประสงค์เกิดเท่ประสงหอนรอนถึงจากลิ้นเทวละบอกชัยเอ้ยไม่ต้องไปต้นนี้มันแอบอยู่ที่กุดกรรมาฐานสองต้นก็ไปเอามาได้นี่เห็นไหมชัดเจนไหมได้แล้วเพราะจิตมันตั้งใจมันถึง เทพยาจาก็โดนบรรดาช่วยเพราะเราซื่อสัตย์สุดจริตเป็นนิยันประหยัดให้มันหันหลังให้เอาบายยมุกนี่เกิดความพิดนิหารของบุตรทำให้เกิดสงหรนไปเอาต้นมาให้ได้สองต้นแต่แล้วเราก็เขาขอต้นเดียวให้สองต้นตามที่อธิษฐานไว้ได้ผล แล้วมาสักครู่นี้ให้ไปแล้วอันนี้สงเกิดงอกได้แ้วเมื่อกี้นี้อาจารย์หมาไหลกเกษตรศาสตร์บางเขนได้ให้นักศึกษานิสิตนำมาถวายสองต้นได้กำไรเยอะที่หมดหมดเลยแต่อยากไม่ต้องไปเสกคาถาหลวงพ่อปาน เสกต้องแสนจบไม่เคยตากบาทหน้าบ้านเลยนี่ได้มาแล้วนี่เห็นไม่งอกได้ไหมมาซีงอกได้ไหมงอกได้แล้วเนี้ยกลับดีกับของเดิมของเดิมต้นแคนี้เอามาให้อยู่นี้แงเนี้ยบุญงอกได้ต้นเบลอเลยเอามาจากไหนเอามาจากเหมาใหญ่ก ร, ระสือสอดข้อะไรลอนถึงพระยินส่งที่พระเนกให้เอามาดูเนี้ เห็นไหมเนี่ยนี่มีพยานไม่จะพูดเล่ น, น, น, นกันสนุกนะให้มันง้อเถ้าจิตมันหดหมดเลยใจอยากไม่ต้องไปเสกกระถาไปหาพระธุมโน ม, มไปหาพระสุปฏิบตัติก็ไอ้สุปฏิบัติในตัวพ่อแม่เอามันจะได้เลยไม่โง่อเขาฝากเขด้วยนะเขาฝากก็ด้วยนะเาขาฝากเลยนี่ยพ่อแม่สร้างความดีกับลูกทําถูกไว้กับหลานยกตัวอย่างมาวานแล้วเนี่ยสดสดตลอดที่วัดนี้ เมื่อกี้เราให้เสนาธิการอดีตเป็นนูตแต่มาสร้างกุศลเมื่อสมัยสามสิบปีการนละครโน้ตข้าวความหลังขัว้วเพื่อจะได้จำทานาหม่ศีลใหมยภาวนาใหม่มันจะไม่เสียการเวลาของชีวิตเห็นไหมเนี่ยงอกได้ไหมงอกได้แต่ขอให้ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปเอาพระอรหันต์โสดาที่ไหน เอาแค่อัตมาที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็พอเหลือกินเหลือใช้จะไปเอาที่ไหนอีกไม่ได้เดี๋ยวออกจากวัดนี้จะไปเอาวัดโน้นต่อไปวัดไปวัดมาวัดคือวัดจอกวัดผิดวัดถูกวัด่อไปเลยหน้าโฉนดออกไม่ได้หน้าโฉนดออกไม่ได้ไม่มีใครเห็นด้วยเทกลายเคียงก็ไม่ยืนยันออกหน้าโฉนดได้ไหม คิดนะคิดนะเนะจาะลงไปลึกเดี๋ยวจะออกมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกต้องของหลวพ่อแล้วความถูกต้องความถูกใจต้องคู่กันปไปถูกใจคือกิเลสต้องเข้ากิเลสให้ถึงสาราตจการต้องข่ากิเลสผู้ใหญ่ให้ถึงชอบและพลิกเอาไปให้ถ้ามันชอบใจมันต้องพิจารณานรก่เ น, นี่ยถ้าให้มันถูกจดกิลมดจะได้ไม่ถูกเม็ด เรไมมีอุปสรรคเลยนี่เรามาแก้ปัญหาด้วยการเจริญวิปัสนาเป็นการแก้ปัญหาชีวิตคนที่ทําไม่ได้จริงมาจะสร้างแต่ปัญหาให้จะวัดออกไปยังสร้างปัญหากับครอบครัวไปสร้างปัญหาให้ลูกเยอะขอฝากไว้นะคิดให้ดีมีมาใหญ่เนี่ยสร้างความดีกับลูกทําถูกไว้กับหลานพ อ, อ, อแหละ ลูกชายเป็นพออลูกรานอย่างแกวตาพาพาลงมาเป็นแถวนี่ลูกดีลูกแกวลูกขวานไอ้ลูกทาลุงตึงตังไอ้ลูกหน้าตาตึงมีมากลูกติดถอยไม่ใช่รับใช้สอยแต่พระการได้นี่หลายนองมองทองไหลามาให้ไปจา ก, กี้นี่สิบนาทีเทนะมาแล้วขอกราบเรียนว่าอาจารย์หนุ่ย ให้อาตุลสาระมาถวายหลวงพ่อเดี๋ยวนี้นัน่นแน่แน่เอาเลงอไปไหมเนี่ยงอไปของเราให้เขาไปต้นเท่าเนี้ตามพอทิพย์ได้มาต้นสองหวอดงอไปเอาอย่างอาตมาสิเอาอย่างวัดไหนอ่าเท่านี้เหลือกินไม่ต้องไปสูงอาตมาเอาอปัญญาของหลวงพ่อไป แกไขปัญหาได้ลูกจะได้เปใหญ่ไปกนโตไม่ชอบนะไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ยุ่ว่าอะไรเดี๋ยวเวลาเป็นกับเขาฝากไปไหลออกมาเนี่ยให้ไปต้นหนึ่ง เ, เทวดาท่านินส่งที่ประเทศเอออยากให้ต้นเดียวสิให้เขาสองตอน้นสิมีความหมายไงไอ้ต้นนี้ตายต้นนี้ก็แทนนีนเน่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เอายังไงแทนได้เม่เชื่อบดีก็ต้องไม่ลองเชื่อพดีแทนให้สองต้นเลยแม่สาวนีถวิ้นแก้วเป็นหัวหน้าป็กรบดีใจร้อนเหลือมาก็สมหวังกลับไปเช น, นีเขาก็อยากมาล้มพ่อถ่วยหนูเต็มที่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นชัด อย่าไปเอาตำราอื่นที่ตำราที่แน่นอนจะได้ไม่เสียเวลาในโลกมนุษย์เห็นชาติไหมนี่งอกมาแล้วสองตอน้นแล้วมาถึงทำงานกินอิม่มอิ่มทั้งโชเฟอร์อิม่มสาธุอิ่มจังเลยนี่บุญงอกได้ไปวัดไหนอดหิวไม่ใช่บุญงอกบุญหดหมดอะไรจะอยากมันหมดอะไรตตยอยาก เห็นชัดเจนแล้วนี่ยกตัวอย่างให้เห็นดูดิมาจะพูดกันไปสวรรค์นิพพานมันมองไม่เห็นนักวิชาการกําลังเขียนหลักมาสอนนิสิตนักศึกษามากมายแต่มองไม่เห็นนี่ไปสวรรค์นี่ไปนิพพานนิสิตไม่เชื่อถูกแล้วนี่ยกตัวอย่างให้เห็นถ้าเห็นแล้วยังไม่เชื่ออีกก็เลวเต็มถี่เนี่ยไม่ต้องไปตอบพยาเอฟนะใช้ไม่ได้ เป็นวิญญาณอิปพลที่จอมปลอมที่ไปลอกเข้ามาเพราะว่าเขาะไปลอกเข้ามาได้แล้วนั่งโต๊ะเดียวลอกเขาตะพืชจบปริญญาตรีก็าหาดีไม่ได้เป็นบัณฑิตจะดด่ า, ดาแก้ไขปัญหาไม่ได้นในงอกไม่เห็นชัดแะแม่หลวงพ่อยินจังหลวงพ่อจะฝากอะไรไปหาจารย์มาเอาละขอขอบพระคุณขอบขอบพระคุณขอบพระไทยขอบใจด้วย จะไม่ลืมจะไม่ลืมอาจารย์คนนี้ที่หาต้นไม้นี่มานี่เห็นไหมเนี่ยให้หนึ่งได้สองแต่แล้วก็รอนที่จั ก, กรลินส่งทิพย์เมธเข้าสิงคนขับรถมันก็เซอร์ไปเลยไม่ไปตามที่เราบอกมันไปได้มาข้างกติที่มันแอบเข้าไว้บริบอทแอบอยู่ตรงนี้สองต้นบอกเธอทำไมรู้มาช้องหอนใจครับ นี่เห็นไหมเนี่ยสองหอนใีนใจเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมบางคนจะไปทราบความดีหน่อยสวดมนต์อิติปิโสพระควาเท่ายุกเกิดเทศสิงเลยอย่าไปเนะี่ยไม่ไดีผลจะเป็นบาปเออเปลี่ยนมุนทางใหม่นี่ทอยาดเรียกวันนะโยบายตามเหตุทลนยกตัวอย่างว่าอาจารย์พระทิพตรงเชื่ออธิการ ลงไปทางานนี่สําเร็จแตจ่อาจารย์ทิพอาจารย์พรทิพก็เออกูจะทําได้หรือไม่ได้เอาไม่ฮะไม่จะมานั่งกายพักสวดมนต์เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดี๋ยวรอนถึงจั ก, กรลินเทวราทําทอย่างนี้สิทําอย่างนี้สิทําอย่างนี้สิเดี๋ยวเสร็จอะไรบอกปัญญาบอกอะไรเป็นตัวปัญญาตัวสติสัมปชัญญะพนวกบวกหนึ่งเป็นหนึ่ง เหมือนสามีภรรยาที่ดีต้องบวกกันเป็นคนเดียวกันจะมีความสุขนี่เห็นนะให้ชัดไหมเนี่ยผู้ที่เห็นนะสกายไม่เห็นเราไม่ต้องไปเขียนวิทยุผลเขียนปลอมไปลอกเข้ามาไอ้คนหนึ่งไปวิจัยสกายหาไอ้คนหนึ่งไม่ต้องวิจัยเขียนตามเขาไปลอกเข้ามาไม่ได้ผลเพราะไม่มีความรู้ประจําต้นไม่มีความรู้ประจําตัว เขาได้รับที่ว่ามีเงินให้เขากู้มีความรู้อยู่ในตำราจะไปพูดทีจะไปทำทีไปเปิดตำราค้นหาแทบแย่ yeah, นี่ได้ประสบมาเองเขาบอกว่าเานะเอาเรื่องจริงไปใช้หรือเอาเรื่องปลอมตามใจนะไม่เว่าอะไรแต่ประการได้ขอฝากญาติพี่น้องของอาตมาไว้ในที่ประชุมนี้ี่งอกได้งอกได้ ความโดยสุดใจเป็นพระสุปฏิบัติมันจะไปหาตามวัดอยู่ที่ใจนี่มาวานี่หนึ่งกลเอาไปถวายเจ้าคณะเพือมนภาะ พ, พระไปเยอะไม่มีเลยมือเปล่านี่ไม่เปล่านะสวดมนต์ได้ได้พันห้าได้พันห้ามาวานนะเมื่อวานได้พันห้านะ หนึ่งพันไปทางไหนไมีญาติเขามาที่นี่หลวงพ่อคะลูกรถทนตายเผาไปแล้วไม่มีสตังค์บางสกุลไม่มีเลยตอนนี้มโนพระทลายละสิบเกเท่าอายุลูกลูกไปมาเติดไทรไปบวกกับเขามานิฉันไม่มีสตังค์เลยหลวงพอ่อไม่มีจริงจริง มีนมนปราสิบเก้าถ่ายุลูกแล้วก็มาไม่มีสตังถวายเลยหนูจะทำอย่างไรคือแม่ของเขาเอาไปเลยหนึ่งพันเอาไปเลยตั้งครยอาตมาก็ถวายส่วนตัวเห็นไหมเนี่ยไปก่อบุญให้โยมอีกทีแม่มาสีถวายตายมาหนึ่งพัน เดี๋ยวจะไปต่อบุญให้เอาออกดอกให้บุญออกดอกได้งอกได้บุญยานิธิของชีวิตวันนี้จะต้องพูดให้เห็นเนเอาไปหนึ่งพันนําตาร่วงเลยกรอบกราบเท้าน้ำปการลาพรุ่งนี้จะบังสกุลให้ลูกเจ็ดวันก่อนนึกว่าไปถาวายแม น, ม น, นูไปเฉลี่ยให้ดีนะลูกนะ อย่าให้เกินโควตาไปขยิมทุนเข้ามาทำบุญให้ลูกหลวงพ่อทำบุญต่อให้เขาบุญาาทีนอาถารพตอนกั้ถวายไววพันหนึ่งแล้วคนอื่นโน้นอีกห้าร้อยพันห้าวันนั้นเมื่อวานมีพันห้าเดี๋ยวจะต่อเป็นหมื่นห้าต่อเป็นแสนห้าต่อได้แม้นได้ต่อยังไงเจ็ถึงไหม อาวพันหนึ่งไปเลยอดีตเด็กบอกกับพ่อไม่ต้องให้มากแค่ร้อยเดียวก็พอไม่พอหนูพระสิบเก้าองค์ไม่พอพระขึ้นราคาแล้วพระเขาบอกเขาขึ้นราคาแล้วขึ้นราคาตามเมือเดือนราชาการหนมื่ขึ้นราคาทัานพระทัานราชาการแล้วนี่เอาแปะตานคารีบขึ้นราคารอคอน เคยขายบาทขายสามบาทเลยะพระคือราคาบาทราชการบาทหนึ่งก็ต้องขายสามบาทมีเห็นไมนักเรศรษฐกิจเอามาจากไหนมาจากพระสูตรปฏิบัติปฏิบัติให้ได้ใช่จะไปหาวัดโนะไปอัลรหันบางทีรถทัวร์เข้ามาร้องพอเยวัดนี้ไปอัลรหรันหรือเปล่าบอกเป็นแต่อัลเหใครมีทุกข์ก็เหไปหาคนทุกข์ แล้วคนนี้มีทุกข์ก็หันเหแล่เข้ามาหาคนที่มีทุกข์บำบัดทุกข์บำบุงสุขให้ชื่นใจนี่พระอย่างนั้นไม่ใช่ยโยมไปหาพระเหลา่าหูหลับตาพระอรหันต์ไม่ต้องสอนประชาชนพระไม่สอนประชาชนคือพระไม่ใช่สูขปฏิบัติตามร้อยยุคระบาดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระเจ้าสอนประชาชนต้องตายข้างทางเดินระหว่างต้นหลังทั้งคู่เรียกว่าปางปณิพัท ประสูนในป่าเนีแล้วก็ตายในป่าด้วยป่าตัวนี้ไม่ใช่ป่าอย่างนี้แปลว่าป่าสงบจิตใจตราลบธรรมนัตถิสันติปลังสุขขังสุขอื่เยี่ปะความสงบไม่มีแล้วในโลกขอฝากไว้อันนี้นิมนต์มาท้งนี้ก่อนมนต์ขึ้นมาทั้งนี้ก่อนเนีย่ยขอฝากไว้นะอย่างนี้พันหนึ่งเอาไปเลยหนู ลูกศิษย์ลูกหาคิดว่าจะให้เพียงร้อยเดียวร้อยเดียวหนูไม่พอพระสิบเก้าองค์มาฮยกตัวอย่างว่ามัตสีถวายตมามาพันห้าพันหนึ่งออกดอกแยะแต่โยมถวายตมาพันได้พันแต่ตมาเอาของพันบาทของโยมมัตสีไปถวายต่อไปถวายท่าใดสิบเก้าองค์ออกดอกแหละ อาตมากินเปอร์เซนต์โยมมาีเพราะอาตมาไม่ใช่นักธุรกิจเป็นพระภิกษุไม่ใช่มีนาคราคาวก็ขอเปอร์เซนต์กินก็แล้วกันเลยอาตมาก็ได้บุญกับมาสีด้วยเห็นด้วยไหมเนี่ยเพราะมาสีก็ทําบุญแค่พันเดียวตรงนี้อาตมาเป็นผู้จัดการธนาคารปัโลกเอาต่อให้ออกดอกแล้วกลับมาอีร้อยเอซอีกห้าสิบอร์ซโยมเอาไป อาตามาไปพูดจัดการให้ได้ห้าสิเปอร์เซ็นต์ี่ได้บุญได้บุญเห็นไะใเห็นชัดไ้ยเนี่ยเข้าใจไ้ยเนี่ยเอารักเข้าใจขอบคุณมากอีกห้าร้อยรรมยระดัวันนี้คือเมาหวานอาดีตที่ผ่านมาจะต้องไปส่งน้ำศพท่านเจ้าคณะอาเภอรประเรียนทามสี่ประโยคอายุสี่สิบกว่าปีตายแล้วเป็นโรคตายกับเบาหวาน เดินไปไหนก็ได้แต่ไตไม่ทํางานขึ้นมาทันทีวาหวานขึ้นน้ําตาลขึ้นตายทันทีนีตายทันทีนยทนทนอย่าประมาทนะหนุ่มสาวอย่าประมาทนะเอาแต่เรื่องของตัวเองที่อยู่ไ ล, สะละ่สาระขอฝากไว้นี่ชี้แจงให้เข้าใจไม่จะเทศตามคมภีร์อย่างนั้นขอฝากไว้เนีอีกห้ารเหลืออยู่วันนี้ยายหาพัหเมื่อวานนี้ได้พันห ห้าร้อยใส่ซองบอกขอถวายในงานศพของเจ้าอาเพอณีเนี่ยนะผ้าไตรหนึ่งไตรปัจจห้าร้อยหมดแล้วเราหมดแล้ว<ม>เดี๋ยวจะม อ, อกตรงไหนม อ, อกได้ไหมวันนี้สบายมา ก, ราากประยุกหลอนถึงจักรกลินเอาผ้าไตรมาให้สองไตรหนึ่งผ่านป้ายใยสองเห็นไหม คนเราไม่ได้คิดข้อนี้เนี่ยอตมาถึงไม่บอกบุญใครไม่เอาไม่บอกคนผู้มีปัญญาเห็นเองอย่าไปเครียดแค้นอย่าไปเบียดเบียนเขาผู้มีปัญญาหาข้องใหม่ผู้ไม่มีปัญญาอย่าข้องอยู่เบียดเบียนไม่พักผู้มีปัญญาหาข้องใม่ใครมีบุญก็ทําเองใครมีวาสนาก็ส่งผลเอง ของใครของมันตามคนตามทางกุสลาธรรมะปุสลาธรรมะกุศลอกุศลเลือกธรรอะ <_ d ata> บุญบาปเลือกทอําเอาอยากได้บุญก็ทําอยากได้บาปก็ทําพระเจ้าไม่ห้ามอยากไปสวรรค์ก็ไปอยากไปนรกก็ตามไปตามมณียาศยของบุญญกรรมที่ทําไว้ไม่มีปัญหาอื่นีเห็นชัดไหมวันนี้เอาโหเงินไหลนองทองไห้มา ที่เกียดจดบัญชีคนจะเขียนบัตรโมทนาก็ไม่ค่อยมีจึงไม่อยากได้ได้ทลายทำเท่านั้นรอนจึงพระอินทเลยพระอิน์ส่งที่ประเดชโอ๊ยตายหลงพ่ออวตารมาวานได้พันห้าหมดแล้วโดนบันดาล <c oughs> เป่ามูเทริสที่โห ล, ลาบบุญมาแล้ววันนี้งอกไปจุ ไม่สบาย น, นี่ไม่สบายสู้เมาคืนนี้ว่าจะประชุมพระเกิดอาเสบ็บคอลำคออาเส็บอย่างแรงชาวใจเสียงมากจะตายซะเปล่าเราก็มานึกเดือโลกก็บอกว่าเวลาดีก็จะใช้เวลาไข้ไม่มีใครอักษาหลเาัเราจำเป็นต้องรักษาตัวเองด้วยอาตายโยนนาโถอย่าไปหมายเพิ่งคนอื่นมารักษาเรา จะเสียใจสามีไม่เอาใจใส่เราจะน้อยใจในฐานะภรรยาภระยาป่วยสามีมัวธุระกิจการงานมากก็น้อยเนื้อจามใจว่าสามีไม่รักเรารักตัวเองเสีรักตัวเองหายากินเอาเองตายให้ตายไม่น่าจะคิดอย่างนั้นเลยพอฝากไปด้วยนะพอเข้าใจไหมเอารักขอบพระคุณมาก ถ้าแม่เข้าใจเสียหลอดลมเหลือเกินมืตสากำลังอัเสบอยู่ในบัตรนี้เอาว่าก็เดือดอกด่าพระเข้าไปส่งน้ำสบกันเนี่ยนี่อย่าไปเป็นทาพระมือเปล่าเมื่อวานเอาทาอย่างนี้การกระตายไปแค่มีนีก่ก็ปบอกไม่ใช่ว่าไปเป็นเจ้าภาพสวดศพสวดแล้วเอากลับไปซะด้วยเอาพระเข้ตัวมาวัดเขาก็ไม่มีจะเลี่ยงกันทิ บอกนี่ครับทายกเอาไปเลยจ่ายค่านาปณะ อ, อาหารเลี้ยงแข่ที่มาในงานศพผ้าใลแล้วแต่ทายกจะเห็นสมควรเราได้พระเป็นร้อยมือเปล่าเราไม่เปล่าต้องเอาไปทำบุญนี่ผู้จัดการธนาคารปารลกโยมให้มาต้องเอาไปจ่ายเหมือนน้ำในบ่อ ขังไว้นานมันสกรปรกมันจะเนา่าทายไหลมาใหม่ใส่ก็เก่าทักทายแล้วลยไหลมาใหม่ใสยก็เก่าเป็นต้นมีความหมายมากอย่างนี้เอานี้พระไม่มาฟังเลยไม่ฟังไม่เป็นไรเนี่ยไม่มีไป็นไรไม่ฟังไม่เป็นไรใครยินดีมาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเราชอบให้คนที่ต้องการรับที่ง อ, อกมาเนี่ย งอกดังนี้วันนี้มีคนมาให้ต่อเพื่อเราจะไปต่อบุญให้เขาบาปต่อบาปบุญต่อบุญไปคิดเอาเองนาหากว่าบาปบุญคุรโทษไม่มีจริงก็ลงไปทำดูเถิดจะได้ผลสมความมุม่งหมายพัฒนาทุกประการมีความหมายอย่างนั้นานางก่อนนางก่อนไม่ไม่ไม่ต้องยะแล้วอย่าอย่าอย่าทำให้ผืนทึกอุคลุมไม่เป็นไรโยไม่เป็นไรตามสบาย ตามสบายชีวินะนี่บุญงอกได้เห็นไหมเนี่ยอย่าลืมนะคนซื่อสัตว์มีบุญยกตัวอย่างนี้ทานิสปะและประชาดกมีในขร้งพุทธกาลสองพันกว่าปีแล้วอตมาเรียนชันปรม 2, สองม ส, สา ม, สามอ่านเรื่องนี้พวกชาวไร่หับฟื้นขายด้วยความซื่อสัตย์เลี้ยงครอบครัวด้วยความสุจริต มีขวาเเล่มหนึ่งบินด้วยไปตัดฟืนริมแมนะ่น้ำจะามาขายเลี้ยงอัตมาเลี้ยงลูกด้วยความสุจริตธรรมไม่เคยไปเบียดเบียนของใครมาดูซิจะงอกไหมขวานนี่กลับทิ้งน้ำไปมันหลุดลงน้ำป้านางร้องไห้มาวันยัค่้ามคือยังรุ่งโดงมดำก็ไม่ได้ฝานก็บินหากินมานานนี่ คนดีใช่ไหมร้อนที่เ ท, ทวดาลงมาเอาขวานมาให้เอาจะดาให้นะแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นเทวดานี่อำนาจบุญไปดาเอาขวานทองมาบอกไม่ช่ดาเอาขวานเงินฝา น, นากมาไม่ใช่ขวานเป็นเพชรระดับดามไม่ใช่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่โลภมากเพราะทานทั้งหลายผู้มีใจบุญกับอาข้าพเจ้า ผูมีความปรารถนาดีกับข้าพเจ้าของที่ท่านดำมานี้มิใช่ของพระเจ้าเห็นไหมเนี่ยเห็นชัดเทวดาก็พิจรารณาดือปัญญาโอไอโคนตัดฟืนขายนี่นมันมีกุศลสูงต่อไปมันจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเข้าในหลกักทาสิทว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่ได้นางออกมาในรูปแบบนี้แล้ว ในเมื่อออกรูกแบบเช่นนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อัดไม่โลกไม่อยากได้ของใครเทรวดาเห็นใจจึงยกสมบัตินี้ให้หมดทั้งขวานทองคำขวานเงินขวานหน้าขวานเพชรเจ้าชาวไล่นานั้นที่ตัดฟืนขายไม่ดีใจไม่ดีใจเลย และเขาก็อาดำมาใหม่นี่ น, นี่เนี่ยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าหากินเลี้ยงลูกมาเจ็แต่คนแล้วลูกข้าพเจ้าก็ดีทุกคนถึงยากจนก็ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปหลอกลวงใครแน่ๆนี่เนี่ยข้าพเจ้ารักขวานนี้มากเพราะขวานอันนี้เนี่ยทำมาหากินมาเหมือนตาแปะแก่หาบเค่งเป็นมหาเศรษฐีอยากเก็บเค่งเขาไว้เนี่ย เก็บไอ้ฐานเขาไว้ปิดทองให้ลูกดูนี่เนี่ยลูกหลานอากงเนี่ยหาเลี้ยงเจ้ามานยต้องบูชาความดีอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีออกมามีรถเบนซ์เลยพ่อแม่มันมีรวยแต่ไม่เนึกว่าพ่อแม่อยากจนมาก่อนเหมือนกับแปะนี้นี่คนดีคนที่มีเทวดาช่วยอย่างนี้ ได้ผลออกมาในล็อกนี้แน่นอนไม่ผิดล็อกไม่ผิดความหมายนี้เลยซื่อสัตย์สุจริตจริงๆยกตัวอย่างดูนีต่ตมาจําชื่อมาดาลูกหลานของแม่ฉะลวยจะอยู่ชึงบุรีเนี่ยมาบวชที่วัดดีนี่ยกตัวอย่างคนซื่อชื่อลายเลือมทั้ง้น ล, ลูกแม่ฉะลวยเนี่ยเป็นญาตาิกันมาบวชที่วัดดีสื่อขาลาเพศไปตอนนี้มีข้อริวยังไม่ทราบ แล้วก็ไปใส่รถขายที่สิงห์บุรีเนี่ยไม่โลภมาก็คายหลานสาวไปก็บอกอ้เออทิดเอ้ยช่วยช่วยช่วยหน่อยนะเอาสายของมาตรงนี้แล้วคือรถขายอยูเตี้ยแบบบางแม่นองรักนี่ก็ให้สตางค์ห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ารอคอก่อนพักก่อนเอาควคืนเอาเท่านี้เอง มีไหมเนี่ยคนดีไหมมีคนเดียวแบกบเคือโจทุกทางเลยเอาเท่านี้เจ๊เอาเท่านี้ไม่เอาอีกหให้ก็ห้าบาท4ี่บาทไม่เอาเอาสองบา ท, บาทเอาสามบา ท, าบาทนี่เป็นอย่างไรหายากคนหายากลูกไม่เฉลวยสิงบุรีบัว ท, ที่ดิซื่อสรรัตว์จริงๆ ไม่เอาเพิ่มไม่เอาเออหน้าเอาไว้ใช้ไม่เอาครับไม่เอาครับเอาคืนมีไหมเนี่ยฮแบบไอ้พวกเจ้าของขวานนาโยมนะเห็นชัดแม่ฉะรวยมาเปล่ายกมือก็สื่อมาเนี่นี่นี่แม่เขาเนี่ยนี่นี่พยานบุคคลยกมือหน่อยนี่นี่เนี่ยคนนี้นี่คนนี่ลูกชายเขาเนี่ยได้รู้สภาย่าง เอาหาซะใครอยากจะเอาคนนี้มาเป็นสามีเอาเลยดีตามีซาบผูมีซาบนี่เห็นไหมเหมือนไอ้เจ้าของขวานไม่อยากได้อยากได้เจ้าพ่อของตัวเองเนี้ยเนี่ยเขาดืนี่แม่เป็นตัวอย่าง ห, หลายลายไม่ใช่ลายขอฝากงอกได้คนต่อแพทยนี้ไม่จนไม่จนนะแน่อีกคนหนึ่งไอ้โลกมาก็เห็นเขาได้อยากจะได้แบบเขา ก็มาร้องไห้เอาขวานทิ้งน้ําแล้วก็ร้องไห้ล้องไ ห, ห้อยากได้ขวานทองคํากับเขาบ้างแต่ใจคตปลาลบอกุศ ล, ลกับคนประแพท์เห็นแก่ตัวคนประแพท์ที่เรลวร้ายในสังคมลอ น, นี้เทวดาก็มางมให้งมให้เลยงมเอไรายขวานทองคําชายของคุณมั้ยโอ๊ยนี่แหละเล่มนี้เนี่ย เร่มนี้เนี่ยกระบอกไหมกระบอกไหมเดี๋ยวได้แหวนขวานเพชรขวานหน้าขวานเงินมานี่แหล่ของข้าพรเจ้าเลยเทวดาก็บอกว่าไอ้เจ้านางโงไอ้พวกอกุลละกับหลบมาขนาดนี้เนี่ยขวานของเธอหาใช่เล่มนี้ไหมเรามาลองใจเจ้าดูนะ ไอคนโน้นนะมันต่าง ก, กันกับพวกคุณนี่ดูสิพอได้ขวานทองเขาก็ไม่สนให้ก็ไม่สนแต่ขวานอันที่พึ่งตนมาตั้งแต่ต้นบินด้วยแล้วกระดาก็ไม่ภัยด้วยไม่ดีเท่าไหร่แต่ทำไมเขาน้ำตาร่วงชื่นใจใด้ขวานคืนมาฉะนั้นนี่ของเขาเนี่เขาไม่อยากแย่งคนอื่นนยเขาฝากไว้ด้วย นี่ลูกชายไม่ฉล่วยไม่เอาต่เพิ่ไม่เอาเอาเท่านี้มีคนเดียวที่สิงบุรีตาคายอยากได้คนดีรีบเอาไปทําลูกเขยซะบัดนี้นี่พูดเล่นถ้าเป็นจริงได้กนจะดีหาคนลูกเขยขยันหน่อยแล้วซื้อสัตว์ไม่ต้องไปหาลูกเขยมีลงเสีลูกเขยคนดีมีเศรษฐีสามปีสามหมดเลยไ ม, ม่เหลือ นี่เขาชอบได้ลูกเขยอย่างนี้กันศักดิ์ศรีขับรถเบ้นนั่นน่าโสมุรีไม่ลูสอบนี้ลูกเขยข้าดีมีศักดิ์ศรีเป็นเศรษฐีในเมืองสิงสามปีแหลกเลยเพราะสามซะเรียบนี่หรือคนธรรมากินที่ซือสัตว์สวยสั้รวยฉาบไปฉาับมาเหมือนบุรุษคมลอยและเศรษฐมนุษย ม, มีหลักฐานแับประการใดเขาชอบรูเขย อ, อย่างนี้กันชอบลูกสะพายมีศักดิ์ศรีเอาไว้ให้แม่ผัวหุงห้าให้กินงเป็นคนดีในสังคมขอฝากไว้นะเอาอยัางไงก็ไปเลือกเอาจะมาบังคับไม่ได้เลือกเอาเถิดคนได้ซื้อสัตว์เท่านั้นเป็นคนดีของพระพุทธเจ้าสุดจริตเป็นนิขยนันประหยัดให้มั่นหันหลังให้ใบมุก อย่าหาความสนุกในช่องโครงที่เป็นตัวอับปรีจังไรในครอบครัวนี่ข้อนี้นี่เนี่ยเงินไหลนองทองไหลมาจนเงินจนทองก็ไม่สำคัญเป็นคนดีเทวดาช่วยผีก็ช่วยสามเเวสียักษ์ลายก็เข้ามาช่วยถึงคราวมวยก็ไม่มวยมรณาเพราะสอสัต์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมขององค์สมเด็จตระสัมมามิฏฐิเจ้านี่ละลูกศิษย์ที่บวชนี้ได้ดีเนี่ยลูกไม่ชั่วรวยแน่นอนแต่ไม่มีใครสนมังหรืออย่าไปทาลูกเคยถึงหากว่าไม่ทำลูกเคยก็ทำลูกจ้างก็หาได้ยากลูกจ้างที่สุดสิดเช่นนี้แค่รับจา้างของให้ฟรีๆยังไม่เอาไปอยู่กับเจ้านายมันจะไปเอาเขาเรือ จะไปรักเขาแลยแค่เขาให้ฟรียังไม่เอาเพราะว่าเกินค่าแรงค่าแรงสามบาทให้ต้องห้าบาทไม่เอานี่หายาขอฝากข ด, ดดีของลูกไม่สรวยไว้ในที่นี้ด้วยนี่มีพยานนะโยมนะไม่ใช่พูดเล่นนะนี่เป็นอย่างยิ่งที่ทะเฉพาะพอเหมาะสมของตัวเองไม่เถื่อทยานไม่เอื้องอาบไม่บังอาจ กับคนที่มีพระคุณไม่เอื้องอากับคนที่เขามีลาศิคิดว่าตัวดีตัวนี้ยังไม่สามารถจะเอื้องอาดและบังอาจเกินไปเหมาะสมรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่รู้จักฐานะของตอนการเจริญมีศัสนาก็ต้องการเข้าในจุดนี้เช่นอยู่กันี่เห็นไหมชัดชัดเจนนะมีเงินไหลนองทองไหลมาผ้าไตรงอกมาแยก ไม่มีที่เก็บระบายมากออกเข้ามามากน้ำในบอ่อเอาเก็บไว้นานๆศ ก, ก็ปลกมันจะเน่าระบายมันออกไปเดี๋ยวใหม่มาแทนใสกับเก่าลองดูนะลองดูลองดูไปคิดดูให้ดีถ้าน้ำในบ้านใครไม่มีระบายมันก็ส ก, ก็ปลอมซาจิตใจก็ลามกไม่พัก ไม่มีโอกาสที่จะเกิดลืมตาเกิดแสงสว่างในสงคกเห็นแก่ตัวมากไม่มีการช่วยเหลือ